ทีนี้มาเรื่องอ่ะตอนนี้เข้าเรื่องแล้วรู้ไม่ถูกตัวตอนนึกถึงว่าการรู้ไม่ถูกตัวเนี่ยเป็นหนทางแห่งความเนิ่นช้าคือหมายถึงว่าถ้า ร, รู้ไม่ถูกตัวมันมันผิดไปแล้วไงมันเมื่อผิดเหมือนกับว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันก็ผิดไปหมดเลยแต่ทีนี้ว่าถ้ารู้จักว่าการรู้ถูกตัวรู้ยังไงถ้ารู้จักแล้วเนี่ยโอกาสจะผิดเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะว่ามันมันรู้แล้วว่าอ๋อไอ้นั้นรู้ผิดตัว แล้วก็กลับมารู้ให้ถูกตัวเสียที่มันยากตรงที่ว่าคําพูดเนี่ยคําพูดของหลวงพ่อก็ดีอะไรที่จะแนะนําเพื่อจะบอกให้รู้เนี่ยมันค่อนข้างจะมันยากแต่จึงยากเนี่ยมันก็ยากกับทุกคนแหละเพราะว่าของที่รู้ได้ยากเนาะเออมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากก็เป็นเป็นธรรมดาอยู่เองอที่จะรู้ให้ถูกตัวทีนี้อย่างที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่าง แค่เหมือนกับว่าเป็นไกด์ไลน์แต่จริ ง, รงๆการรู้ถูกตัวเนี่ยมันจะต้องรู้เป็นขนาดจิตรู้ต้องรู้เป็นขนาดจิตแต่หลวงพ่อที่ยกตัวอย่างก็เหมือนกับว่าเอาให้พอเห็นภาพสักนิดหนึ่งผลตัวอย่างของหลวงพ่อเทียนนิดหนึ่งนะหลวงพ่อเทียนคือท่านระหว่างที่ท่านฝึกทําความรู้สึกตัวเนาะท่านก็อาจจะนั่งยกมือสิบสจังหวะ น, นี่แหละแล้วก็ยกมือไปเรื่อยไปเรื่อย แล้วก็มีอยูอ่ช่วงหนึ่งก็คือว่ามันมีไอ้แมงป่องแมงป่องลูกอ่อนเนาะมันก็ตกใส่ขาแมงป่องตกใส่ขาทีนี้พอแม ง, แมงป่องตกใส่ขาเสร็จแล้วเนี่ยท่านเกิดแบบเหมือนกับว่าเข้าใจธรรมะในเรื่องรูปเรื่องนามท่านก็มาเล่าให้ให้ญาติโยมฟังว่าเนี่ยตั้งแต่โดนแมงป่องตกใส่ขาเนี่ยท่านรู้จักท่านรู้จักรูปนามนะ แต่ทีนี้คือท่านก็ไม่ได้ขยายมากะนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจของท่านเองแต่ท่านก็บอกว่าตรงนั้นเน่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านรู้จักรูปรู้จักนามแต่ทีนี้หลวงพ่อก็เลยวันก่อนก็ได้มาเทศที่ที่วัดะนะก็ได้มาขยายในคําที่หลวงพ่อเทียนเล่าแต่ก็บอกว่าเออต้องขอขมานะถ้าขยายความผิดไปเพราะว่าการขยายเนี่ยคือเราเราเข้าใจของเราแล้วก็เรามาพูดขยายเอง นะทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะขยายให้ให้พวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยลองลองพิจารณาดูนะอลอางลองเหมือนกับว่ามโนภาพก่อนเลยเพราะว่ามันไม่มีของจริงแต่ว่าเรากําลังเล่าเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นสําหรับคนอื่นทีนี้อสมมุติว่าพวกเราเนาะตอนนี้กําลังนั่งอยู่นะนั่งอยู่แล้วก็อ่าพอนั่งอยู่เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังไม่รู้จักอะไรหรอกแต่เผลอๆเนี่ยตัวเองนั่งยังไม่รู้เลย อ, ะอ่ะอแต่ตอนเนี้ยหลวงพ่อ ก, ก็ต้อ ง, ต, องต้องบอกก่อนว่า เออตอนนี้เรานั่งอยู่ทุกคนก็เข้าใจได้ว่าเออตัวเองนั่งอยู่เนาะทีนี้พอนั่งอยู่เสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยเอาสมมุติเอาเมงป่องกันแล้วกันแมงป่องเนี่ยมันล่นมันตกลงมาใส่ที่ขานะพอตกลงมาใส่ที่ขาเนี่ยหลวงพ่อก็จะขยายความให้ฟังว่าพอพอมันตกใส่ขาเนาะมันก็จะเห็นความจริงบางอย่างก็คือมันรู้จักรู้จักแมงป่องแล้วก็รู้จักขาตัวเองนะ แล้วก็มันเข้าใจได้เลยว่าแมงป่องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งขาเราเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่ามันเป็นสองสิ่งขึ้นมาแล้วพอเป็นสองสิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าจะเรียกว่าแยกรูประหว่างรูปก็ได้เนะรูปรูปขาของตัวเองอันนี้ก็หนึ่งรูปแล้วก็รูปแมงป่องที่ตกมามันก็เป็นอีกหนึ่งรูปอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักรูปอ่าแต่คาว่ารู้จักรูปเนี่ยถ้าลึกเนี่ย มันมันมันลึกมันลึกกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจอ่ะนะเพราะว่าคำว่ารูปเนี่ยคือไม่ได้มองว่ามันเป็นเป็นรูปคนหรือรูปสัตว์หรือเป็นอะไรแต่มันมันเข้าใจไปเลยว่ามันเป็นเพียงแค่รูปอ่าทีนี้พอรู้จักสองรูปแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยปัญญามันก็เกิดขึ้นอีกว่าอ่มันมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่มารู้รูปไอ้ตรงเนี้ยที่เราคุยกันเยอะแล้วเข้าใจกันยาก มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้รู้สองรูปเนี้ยทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอีกสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อก็ยังไม่ตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่ า, despite, วามันมันรู้มั น, ร, มน ร, m e, m รู้ว่ามีรูปขารู้ว่ามีรูปแมงป่องอ่าเพราะฉะนั้นเนีย่ยไอ้สิ่งที่มารู้รู้ ene, ร, รู้ w, y y y สองรูปอ่ะมันก็เป็นเป็นรู้เออมันเป็นรู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ขารู้นี้มันก็ไม่ใช่แมงป่อง คล้ายๆว่าอ้าวมันเป็นตัวที่สามขึ้นมาเนาะเออตรงนี้น่าจะเห็นภาพตัวที่หนึ่งคือตัวรูปขาของหลวงพ่อเทียนตัวที่สองคือรูปของแมงป่องที่ตกลงมาตัวที่สามคือคือรู้หรือว่าเห็นก็ได้อ่าแล้วมารู้แมงป่องแล้วรู้ขาตรงนี้มันก็เป็นตัวที่สามขึ้นมาปีเนี้ยคนเนี่ยเขาจะไม่รู้จักไอรู้ตัวเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขารู้จักอย่างนีก็ รู้จักรูปขาตัวเองกับรู้จักแมงป่องแต่เขาไม่เคยรู้จักว่าอ๋อมันมีรู้ด้วยรู้ที่รู้ว่ามีแมงมีขาและรู้ว่ามีแมงป่องอ่ะทีนี้แค่นี้หลวงพ่อเทียนคงจะมีปัญญาเห็นมากกว่านี้ก็คือว่าพอแมงป่องตกใส่ขาเนาะนอกจากเห็นตามที่หลวงพ่อว่าแล้วเนี่ยมันก็มีต้องมีความคิดสิมันมีความคิดเช่นอาจจะคิดว่าเฮ้ย เฮ้ยแมงป่องหรืออาจจะอุทานรอกว่าเฮ้ยแมงป่องตกใส่ขาไอตัวที่ที่ที่คิดในใจอ่ะเพราะตอนนั้นท่านนั่งคนเดียวเนาะท่านคงไม่พูดเป็นเป็นออกมาจากปากแต่ท่านเห็นมาในรูปของที่ตัวบอกว่าเฮ้ยแมงป่องแมงป่องตกใส่ขาตรงนี้ท่านก็เห็นความคิดเห็นความคิดก็คื อ, ค, อคือตัวที่บนตัวที่พูดที่ภาคในใจอ่ะซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วแหละโดยหลักธรรมชาติเนาะ พอรู้อะไรมันก็ต้องพูดต้องพากต้องอธิบายต้องบอกเออมันก็บอกตามภาษาที่ภาษาของคนไทยนั่นแหละมันก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษก็คงไม่ได้เพราะว่าเราเป็นค น, คนไทยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อเทียนก็ไปเห็นความคิดนี่กี่ตัวแล้วเนี่ยหลวงพ่อนับนะหนขารูปของตัวเอง2รูปของแมงป่อง3ไอตัวที่มารู้รู้รูป4ไอตัวความคิด่อไอตัวความคิด แล้วทีนี้แค่นี้มันไม่พอนะมันต้องมีสัญญาจำได้ด้วยสัญญาจำได้ยังไงสัญญาจำได้ว่าอ๋อไอ้ น, นี่ขาตัวเองนะสัญญาจำได้ว่าอ๋อไอ้ น, นั่นแมงป่องนะสัญญาจำได้ว่าอ๋ออันนั้นความคิดเห็นไหสัญญานี่มันจะรู้หมดเลยนะมันจำได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วนี่ว่าอะไรเรียกว่าอะไรพอมีสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างแมงป่องเกิดขึ้นเนี่ย ท่านก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบกลัวหรือหรือพอใจหรือไม่พอใจอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ารู้แล้วมันเฉยเฉยไอความเฉยเฉยเนี่ยมันก็คือเป็นความรู้สึกความรู้สึกเฉยเฉยคือไม่ได้รู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่มันเป็นกลางๆเนาะ toggle. มันรู้สึกเฉยเฉยแล้วความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยมันก็คือก็對對เรียกว่าเป็นเวทนาอ่าเป็นเวทนาแล้วพอมีเวทนาเนี่ยไอตัวสัญญา มันก็จาได้ว่า อ, อ๋อความเฉยเฉยเนี่ยออก็เป็นสัญญารวมแล้วทั้งหมดตรงนี้นะโยมนะหลวงพ่อนี่หลวงพ่อขยายเองหมดเลยนะก็จะมีรูปหนึ่งก็มีรูปรูปตัวเอรูปขาตัวเองสองหลวงพ่อไล่ตำขันเลยนะหนึ่งรู้จักรูปสองรู้จักเวทนาคือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือมันเฉยเฉยอ่าสามรู้สัญญาคือ ความจําได้ว่าอะไรเกิดขึ้น C มีความคิดนึกปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารขันอ่าห้าไอรู้เนี่ยแหละที่รู้เมื่อกี้เนี่ยที่เล่าที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยอันนี้คือวิญญาณขันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครบห้าขันเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอครบห้าขันเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเราแยกเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีคือคนถ้าแยกขันไม่เป็นเนาะ มันก็เหมือนกับว่ามีแค่ตัวเราเป็นเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นก้อนไปเลยแต่พอแยกปั๊บเอ้าในตัวเรามันมีตั้งห้าสิ่งห้าสิ่งก็คือเนี่ยห้าขันพอแต่ละขันมันก็ทําหน้าที่ของมันแล้วเร็วด้วยนะมันทําหน้าที่หมายความว่าพอมันอะไรเกิดขึ้นในขณะจิตใดมันก็ผ่านไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ผ่านไปเกิดใหม่แล้วก็ผ่านไปก็คือเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทํางานของขันห้า อ่าทีนี้ตรงเนี้ยที่ที่ทำไมพระพุทธ น, น, นี่หลวงพ่อกําลังขยายหมดนะอทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราเนี่ยแยกขันให้เป็นถ้าแยกขันไม่เป็นเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้มันเห็นความเกิดดับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหัดแยกให้เป็นว่าไอ้ขันแต่ละขันเนี่ยคือมันมีลักษณะการปรากฏแบบเนี้ยปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปอ่ทีนี้เมื่อได้ ปฏิบัติเยอะๆเนี่ยมันก็เห็นตามความเป็นจริงว่าใช่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็หมดจริงๆตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บอกมาว่าไอ้พวกนี้ยมันเป็นสังขารไอข้ขันเนี่ยห้าขันเนี่ยนะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เขาเรียกว่าห้าขันแต่ถ้าอีกคำหนึ่งเขาก็เรียกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสังขารปรุงแต่งคําว่าสังขารเนี่ยมันมันมันมีความหมายกว้างกว่าสังขารในขันห้า เพราะว่าสังขารในขันห้าเนี่ยมันมีแค่ความคิดความตึกความนึกคือเฉพาะขันขันเดียวแต่พอเป็นความหมายที่กว้างเนี่ยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นขันห้าเอ้ยมันเป็นสังขารขันเหมือนกันแต่มันเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมทั้งหมดเลยอ่าพอเป็นอย่างนี้นะเราก็มามองกันว่าเออเนาะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า สังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปก็คาว่าสังขารในตรงนี้แหละนั่นนะก็คือพระเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายนะทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปคำว่าสังขารตรงนี้นี่คือความหมายกว้างเเพราะรวมทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสังขาร เพราะฉะนั้นบางครัง้งบางคราวที่ถ้าเราได้ยินได้ฟังบางทีเนี่ยท่านอาจจะใช้คําว่าสังขารทีนี้เราก็ต้องต้องคอยจับจับคอยสังเกตเราเองว่าคําว่าสังขารของท่านเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงสังขารในขันห้าหรือว่าสังขารในภาพภาพใหญออ่ต้องฟังให้ออกแต่ทีนี้ตอนนี้หลวงพ่อกําลังพูดสังขารที่เป็นภาพใหญ่เลยนะก็หมายความว่า ทั้งรูปทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสังขารแล้วคุณสมบัติของสัง GOD, ขารก็คือว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแล้วก็ต่อมาสังขารเป็นอะไรสังขาร <tab> กสส็คือ <น ied S 2> <ngh sever. S 1> ส, สังขารเป็นทุกข์ทนยากเห็นไหมสังขารเป็นทุกข์ทนยากก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเป็นสังขารทนยากทนยากก็คือเกิดขึ้นแล้ว แก่เจ็บตายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจเลยว่าภาพรวมทั้งสิ้นมันเป็นสังขารแล้วก็ทนสภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องบีบถูกบีบคั้นเอ่อถูกบีบคั้นที่จะให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายแตกสลายไปอันนี้เขาเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์แล้วก็ต่อมาที่พูดถึงว่าทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร เป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาเนี่ยก็มีความหมายกว้างมากเพราะว่าหมายถึงว่าสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นอนัตตาแล้วก็ที่ไม่ใช่สังขารนะคือความไม่ปรุงแต่งก็เป็นอนัตตารวมความทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้หลวงพ่อพามาถึงตรงนี้ก็เพื่อให้ นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันก็คือว่ารวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีแต่สังขารนะมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่จริงนะความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราไม่ได้มีอยู่จริงตรงนี้แหละมันเป็นหัวใจที่นักปฏิบัติจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นตัวตนตัวเราไม่มีไม่มีเรา ทีนี้ถ้าคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็จะหมดคาถามว่าเออแล้วไอ้ที่เดินที่นั่งมันถ้าไม่ใช่เราแล้วมันคืออะไรมันก็ต้องกลับมาบอกว่ามันก็คือสังขารางไงอืมอ่าทีนี้บางคนบอกว่าเอาถ้าไม่มีเราแล้วทาไมมันมีโกรธมีมีสุขมีทุกข์ล่ะเราก็บอกว่าเอา้าไอ้ที่สุขที่ทุกข์มันก็ไม่ใช่เรามันก็คือสังขารอีกแหละเอา้าอ่าทีนี้ถ้ามีคนมาถามว่าเอาถ้าไม่มีเราแล้วทาไมมันยังมีความอยากอ่ะ เอาเราก็บอกว่าความอยากมันก็เป็นสังขาร น, นั่นแหละเอาแล้วถ้าไม่มีเราแล้วทาไมต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาเดินจงกรมอะ่ะแล้วคนที่เดินน่ะไม่ใช่เราได้ยังไงเราก็บอกก็ไม่ใช่เรามันก็คือสังขาร น, นั่นแหละคือตรงเนี้ยต้องโยนหมายความว่าอะไรที่มันปรากฏขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโยนให้มันเป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดมันไม่ใช่เราแต่ทีเนี้ยเวลามันหลงน่ะเวลามันหลงหลง เขาเรียกว่าหลงสังขารเวลามันเกิดอ่าไอ้สังขารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลงหลงก็คือไม่รู้รู้ไม่เท่าทันพอรู้ไม่เท่าทันปั๊บความหลงนี่แหละมันจะทำให้เกิดการไปยึดถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ต ว, เ, ปตวเป็นตนเป็นเราอ่าเพราะฉะนั้นขณะใดที่หลงสังขารมันก็อาจจะเป็นเราโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ถ้าขณะใดสังขารเกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทัน ไม่หลงสังขารมันก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารมันไม่ใช่เราอ่าพอเป็นอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจตรงเนี้ยหนึ่งพอเราเข้าใจแล้วโอเคเห็นโครงสร้างเห็นภาพรวมแล้วว่าเออมันมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาคภาคปัญญาจากการได้ยินได้ฟังส่วนภาคปฏิบัติก็ต้องอะไรก็ต้องฝึกสติต้องมีสติที่จะรู้เท่าทัน สังขารที่มันกำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นความโกรธส่วนกายก็ได้สังขารที่กำลังปรากฏตอนนี้เช่นนั่งอยู่อพอรู้เท่าทันปั๊บมันเข้าใจได้เลยว่าที่นั่งก็เป็นเพียงแต่สิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏคือเป็นสังขารไม่ได้หลงยึดถือว่าสิ่งที่นั่งเป็นเรา อ, อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ถูกตัวแล้วก็อาวเวลาเดิน เวลาเดินนี่นะก็สิ่งก็คือสังขารมันกำลังสังขารอยู่กาลังเดินอยู่ถ้ารู้ไม่เท่าทานันมันลืมไปอ่ะลืมไปก็คือว่าหลงอ่ะเคยยึดถือมาก่อนว่าไอ้ที่เดินผู้เดินอ่ะเคยหลงยึดถือว่าเป็นเราแต่ถ้ารู้เท่าทานันมีสติปัญญาก็จะรู้ว่าอ่ะไอ้ที่เดินมันก็เป็นสังขารที่กำลังเคลื่อนไหวกำลังเดินอยู่มันก็ไม่ใช่เราที่นั่งที่นอนก็เหมือนกันรู้เท่าทันว่า อ่าเนี่ยที่นอนอยู่ที่นั่งอยู่อ๋อมันก็เป็นสังขารก็ไม่ใช่เราเห็นไมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องรู้ถูกตัวรู้เป็นปัจจุบันรู้ถูกตัวนีถ้าอย่างนี้การปฏิบัติแบบนี้มันจะไม่เนิ่นช้าเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีความเห็นที่ถูกต้องนะเห็นถูกต้องว่าไอ้นันะ่นอ่ะมันเป็นแค่สังขารไม่ใช่เราทีนี้พูดถึง อันนยาบทที่มันละเอียดกว่านี้อีกมันก็มีเยอะนะเช่นการกินการเคี้ยวการหันซ้ายไหลขวาการก้มเงยอะไรก็แล้วแต่นะการอาบน้ําแปลงควันเนี่ยที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นสังขารแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ไปยึดถือว่าอันนี้เป็นเราเราไปอาบน้ําเราไปแปลงควันเราไปกินอ่ะมันก็เห็นเป็นเราก็คือเห็นผิดที่เห็นผิดเพราะว่ารู้ไม่เท่าทันสังขารแล้วก็หลงไปยึดถือ แต่ถ้ารู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะเห็นแจ้งอยู่ว่าทุกอิริยาบถแบบเนี้ยมันก็เป็นสังขารอ่ะเอาจรินี้ลามมาถึงจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนึกคิดทางด้านอารมณ์ทางจิตใจบ้างจิตใจก็คือเป็นนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คือสังขารแต่ถ้ารู้ไม่ทันเช่นเวลาพอมีอารมณ์โกรธขึ้นนะมันมีเหตุให้โกรธมันก็โกรธพอโกรธเนี่ยสังขารเกิดแล้วปรากฏแล้ว แล้วรู้ไม่เท่าทันก็ไปหลงยึดความกโกรธว่าเป็นเรากลายมาเป็นว่าเรากโกรธมเนี่ยที่เป็นเรากโกรธเพราะอะไรเพราะรู้ไม่เท่าทันสังขารที่กำลังปรากฏขึ้นเอาสมมติโกรธแล้วเอาหายโกรธก็ได้เอาโกรธไม่มีโกรธ ด, ดับไปแล้วโกรธมันต้องดับสิเพราะมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเนาะมันก็ต้องดับไปพอความโกรธ ด, ดับไปก็ไปหลงยึดถือว่า ไอ้ความโกรธที่ดับเนี่ยไปยึดว่าเราไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธแล้วเห็นไหมรู้ไม่ทันไอ้ความดับของสังขารแต่ยังไปยังไปหลงว่าเราเราไม่โกรธแต่จริงอ่ะไม่โกรธคือความโกรธไม่มีเพราะมันดับไปมันก็แค่สังขารดับเท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าเป็นเราไม่โกรธไอ้ความรู้สึกหรือว่าไอ้ความไปไปยึดถือตรงนเนี้ยเนี่ยไปยึดว่า เราไม่โกรธเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นความความหลงผิดความเข้าใจผิดจริงๆ่มันแค่ความโกรธไม่มีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีเราความโกรธไม่มีแล้วไม่มีเราแต่ความหลงหลงว่าเราไม่โกรธอ่ะทีนี้มาพูดถึงความความความสุขบ้างความสุขก็คือสังขารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นๆอ่าแล้วก็พอรู้ไม่เท่าทันความสุขมันก็ไปหลงยึดความสุขว่า เป็นเราเรามีความสุขเออพอเรามีความสุขมันก็ยึดเหนี่ยวยึดถ้ายัางรู้ไม่ทันมันก็ยังยึดอยู่ว่าเรามีความสุขแล้วพอความสุขหายไปคือความสุขดับไปมันก็บอกว่าเราไม่มีสุขสุขไม่มีไงเพราะว่ามันดับไปแล้วแต่ไอความหลงผิดไอความยึดถือก็ยังยึดว่าเราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยไอเราไม่มีความสุขเนี่ยมันเป็นตัวเกินเป็นส่วนเกินขึ้นมาเพราะจริงๆมันไม่มีเรา แต่ด้วยความหลงก็เลยยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนนะว่ามีเราเราไม่มีความสุขความสุขมันก็คือความสุขสิความสุกดับก็คือความสุขดับแล้วเราไม่มีเราไม่มีมันก็คือไม่เกี่ยวข้องกับความสุขที่เกิดไม่เกี่ยวข้องกับความสุขที่ดับมันมีแค่สุขเกิดแล้วก็สุกดับพูดถึงความทุกข์มั่งนี่อันนี้ตัวร้ายที่สุดความทุกข์ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความโศกเศร้าเสียใจ อันนี้ก็คืออะไรก็คือสังขารมันก็ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มันไม่เที่ยงเลย ก, ก็ดับไปหายไปแต่ด้วยทันด้วยที่ว่ารู้ไม่เท่าทันสังขารรู้ไม่เท่าทันสังขารเหล่านี้ก็เลยไปยึดถือว่าเราเราเป็นทุกข์เราไม่สบายกายเราไม่สบายใจเนี่ยพอหลงเมื่อไหร่มันก็เป็นเราแล้วเราก็ไปเป็นอาการนั้นๆ แต่จริงอาการนั้นน่ะเป็นแค่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความรู้ไม่ทันก็เลยไปยึดความความทุกข์อ้ความทุกข์ความไม่สบายใจความไม่สบายกายมาเป็นเราหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาบอกว่าให้มีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันก็คือแค่แค่รู้แค่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอย่าอย่าหลงไปไปยึดถือเป็นตัวเป็นตน อ่าทีนี้ถ้าเราเข <im indicates S 1> <im> ้าใจตรงเนี응้ยเข้าใจด้วยปัญญาจากการฟังแล้วก็ฝึกแล้วมันก็จะเข้าใจว่าเออจริงๆมันก็มีสังมีแต่สังขารนะมันไม่มีตัวตนไม่มีเราเลยทีเนี้ยถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งชนิดที่ว่าไม่มีเราเลยเนี้ยแล้วก็รู้เท่าทันสังขารทุกขณะจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเนี่ยมันจะจบลงตรงเนี้ยจะจบตรงที่ว่ารู้แจ้งรู้ชัดว่าไม่มีเรามีแต่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ เพราะนั้นจริงๆอ่ะเราแบบไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขไม่เคยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมันมีแต่สังขารเท่านั้นนะมีแต่สังขารเท่านั้นที่มีแล้วก็หมดไปนอกจากนั้นก็เป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่มีซึ่งความไม่มีเนี่ยมันมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นความไม่มีไม่ปรากฏซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเป็นอมตะธรรมเป็นนิรันการ อันนั้นก็เป็นอีกภาคหนึ่งเป็นภาคที่ไม่มีเป็นภาคที่ไม่ปรากฏแต่ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนะมันเป็นภาคที่มีแล้วก็มีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปออทีนี้เอาลองดูนะในเมื่อเข้าใจว่าไม่มีตัวเราแล้วแล้วแล้วทุกวันนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยทำไมต้องมาฟังธรรมต้องทำไมต้องมาฝึกต้องมาฝึกเออตรงเนี้ยมันฝึกเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อใครจะได้อะไร จริงๆมันก็เพื่อเราแหละเพื่ออัตตาตัวเราเพื่อเราจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะได้รู้แจ้งเพื่อเราจะได้รู้จนเราหมดสงสัยไอ้นีน่ยังรู้ไม่เท่าทันสังขารแต่มันเนียนตรงนี้มันละเอียดอ่อนแต่ไม่เป็นไรเอาเอาแค่ตรงที่หลวงพ่อพูดตรงนี้ให้เข้าใจไปก่อนว่าทุกอย่างนะที่มันกําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือยังไงก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นแค่สังขารเกิดขึ้นแล้วหมดไปเกิดขึ้นแล้วหมดไป เอาตรงนี้มามาม า, ม า, ม, ามาทําให้แจ้งก่อนไอ้ตรงนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคุณถามค่ะเพราะจำนึกครับที่ท่านพูดออกว่าการที่เรารู้แล้วเราไม่เป็นหลงกับสิ่งที่สังขารต่างๆมันมีมันมีอยู่แล้วมันก็ดับไปเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วไม่หลงไปกับมันเอ๊ะแล้วเราต้องดูแลสังขารไหมคําว่าเราต้องดูสังขารไหมเนี่ยคําว่าเรา เมื่อกี้ที่พูดไปนะพูดไ ป, ปหมดแล้วว่าจาาราิงว่าเราไม่มีอ่าทีนี้เมื่อเราไม่มีแล้วแล้วเราจะไปดูอย่างอย่างที่โยมถามได้ไหมอ่ะคือคือเข้าใจคือประมาณเนี้ยคะ่ะท่านก็คือเราก็ไม่ต้องไปดูหมายถึงว่าเรารู้ว่าอารมณ์เราตอนเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับ มันก็เป็นสังขารที่เกิดเราเราไม่จำเป็นต้องไปหลมกับมันเพียงให้รู้ว่าวันมีมันไม่มีแต่ในในอีกฝากนึ่งอะคะ่ะเราอะจะต้องดูแลตัวเราไหมให้ให้มันทนุบารุงร่างกายแล้วก็สังขารของเราสังขารจริงๆนะคะที่ไม่ใช่สังขารทางดำด้วยไหมเข้าใจแล้วคืออ่าเข้าใจเรื่องความไม่มีเราก่อนนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วแต่ ถึงแม้ว่าไม่มีเราแต่ก็ยังมีสังขารที่ที่ปรากฏที่มีอยู่การที่ที่ถามว่านะต้องไปดูแลไหมไอาการดูแลก็มีแต่ผู้ดูแลอ่ะไม่ใช่เราเช่นการดูแลทํายังไงเช่นสมมติว่าอาบน้ําเนาะอาบน้ําแปลงควันอาบน้ําแปลงควันเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงของร่างกายอะ่ะก็คือเอามือเอาแขนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสังขารเนาะมีการเอื้อมไปหยิบขันน้ําแล้วก็ตักมา แล้วก็เทราสใส่ตัวแล้วก็เอามือถูๆๆเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดก็คือสังขารทั้งหมดเลยไม่ใช่เราแต่พฤติกรรมตรงนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่เป็นปกติธรรมดาแต่ไม่ได้หลงยึดถือว่าไอ้ผู้ดูแลเป็นเรานะมีแต่มีแต่สังขารที่มันทำงานเนาะมันทางานซึ่งมันต้องทำอยู่แล้วแหละดูแลร่างกายแบบอะไรก็แล้วแต่ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนะนทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่ออ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะเคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์ค่ะท่านก็คือเพียงแต่ว่าสงสัยว่าถ้าเราเห็นทุกอย่างแบบแบบเกิดดับเกิดดั บ, ดบแล้วบางทีบอกเอ๊ะเห็นทุกอย่างแล้วก็โปรงแล้วไม่ต้องสนใจมันก็มันก็เหมือนกับเราหลงไปอีกหลงไปอีกประเด็นหนึงนะะ่งอะค่ะทีนี้ก็เลยก็แต่พอมาอธิบายตรงนี้ก็อ้าวมันเป็นการปฏิบัติตัวประจําวันเป็นชีวิตประจําวันของเรามันก็เป็นอีก อีกฟากหนึ่งที่เราก็ต้องดูแลเป็นเราอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูแลแต่การที่รู้อ่ะก็เป็นการรู้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือเดิมที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนะยังทำเหมือนเดิมแต่การกระทำนั้นอ่ะมันเป็นสังขารกระทำซึ่งไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราเคลียร์ในเรื่องของสังขารแล้วเนาะว่าทุกอย่างเนาะมันเป็นแค่สังขารเนาะเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายมากเลยคือ คือมันจะไม่หลงว่าเป็นเราอีกได้อีกเลยเพราะว่ามันหลงยังไงเพราะมันรู้ว่าแล้วว่าว่าเราไม่มีไม่มีเราแต่มีแต่สังขารที่มันเดินได้นั่งได้นอนได้กินข้าวได้เอาซักผ้าได้ทุกอย่างแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ไงที่หลวงพ่อพูดเนาะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ใช่เราเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้มันจะแจ้งมากเลยว่า เออแบบ oh. ไม่เนี่ยมันไม่มีเราแต่มันก็ยังเคลื่อนไหวยังทําเหมือนเดิมเหมือนกับลมพัดเนาะลมก็ไม่ใช่เราใช่ไหมฝนตกก็ไม่ใช่เรา oh. แดดออกก็ไม่ใช่เราอ้าวแต่มันก็มีในชีวิตประจําวันอะ่ oh. ะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในตัวเนี่ยในเนื้อในหนังในจิตในใจเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดยังมีอารมณ์ต่างๆได้อยู่แต่มันก็เป็นธรรมชาติคือมันไม่ใช่เราเออ oh. นี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้แบบ นิบหลวพ่อพูดนะเหมือนแปลว่าเดิได้เข้าใจทําให้รู้สึกแจ้งขึ้นแล้วละ่ะแต่ที่เหลือก็คือว่ามันมีความหลงนะบางเพราะว่าความชํานาญในการที่จะรู้เท่าทันมันยังต้องพัฒนาต่อไปพอพอรู้ไม่ทันพอรู้ไม่เท่าทันเนาะเดี๋ยวมันก็ไปตะครุบยึดมาเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราอีกแล้วเนี้ยเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าอยู่ๆตอนเนี้เกิดเป็นลมพับภาพลงไปเลยนะตกลงไปเลยแล้วมันหลงบอกเอ้ยเราเป็นลมแล้ ว, มมตวแต่จริงไนงะ ไอ้การสุดตัวลงนั้นท่าทา <c oughs> แบบนั้นเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเน <c oughs>